แต่โบ ร, โบราณพ่อแม่คุบวายจารหลวงปู่หลวงตาประเทศชาติบ้านเมืองเจ้าฟ้ามหากาัตริย์นับถือกันมาอย่างต่อเนื่องหลายชั่วมนุษย์จนมาถึงพวกเราพวกเราก็ตั้งความเชื่อคือจะศรัทธาไว้ก่อนว่าพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคงมีดีสักอย่างหนึ่งบรรพบุรุษของพวกเราจึง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 อย่างผมที่เข้ามาที่เข้ามาก่อนพวกท่านคือผมเองก็ในฐานะพี่คือลูกของพระพุทธทเจ้าเจ้าปัากยบุตรพวกท่านทั้งหลายก็เข้ามาศึกษาตามลำดับกันไปเหมือนกับ น, น้องๆครูบาอาจารย์เหมือนพี่ๆคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสากยาบุตรพุทธชินโนโรต์เพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาศึกษา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 แต่ของที่เป็นน้ำเชื่อมที่จะให้พระธรรมคำสังสอนนั้นมีรถมีชาติก็มีอยู่บ้างแต่ที่หลักๆอย่างที่ผมได้ย้ำแล้วย้ำอีกอย่างอริยสัจสีสติปัฏฐานสีออม 8, รักษ์แปดไตรักษ์คือเป็นจุดใหญ่หรือเป็นจุดที่จะต้องศึกษา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 ถ้าจะพิจารณาแก่นฉเฉลยโดยที่เราไม่ได้ศึกษาในเปลือกในกะพี้จะโดดเข้าไปถึงแก่นเลยก็คงจะยากเว้นเสียแต่พวกเรามีอุปนิสัยเก่าแก่ดั้งเดิมติดพพติดชาติพอได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนเท่านั้นมันกระซึมลึกเข้าสู่จุดคือหัวใจของเราอย่างพระหันสาวกที่ท่านได้เห็นพระพทุทธเจ้าหรือได้เห็นพระอรหรันต์ พอท่านเห็นท่านก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสว่าอั น, นิี้กำมังเป็นหนทางที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมห oh ะในจิตใจของเราได้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปเห็นสมณะนั่งอยู่ในที่สงบท่านก็สำนึกได้เลยว่าอันนี้กำมังที่จะเป็นหนทางที่จะตัดกิเลสของเราเป็นผู้โดดเด่นและโดดเดี่ยวอยู่ตามลําพังไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งภายนอก อันนี้พระองค์ก็ได้น้อมมาสู่พระองค์ตลอดถึงพระอรหรันต์เสาวกที่ท่านได้เจอพระอรหันต์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านอย่างพระสารีบุตรอย่างนีน้ที่ท่านเห็นพระอาจาร ย, ย์พอเห็นเข้าไปท่านก็ถึงในตาของท่านถึงในใจของท่านว่าสมณฑองค์นี้แปลกกับกิริยาของท่านไม่เหมือนคนทั้งหลายเนี่ยปราดท่านมองปราดท่านเห็นอย่างนั้น จากนั้นก็จับตามองก็เดินตามหลังสังเกตในอากัปกิริยาของท่านอาชชิที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็เข้าไปศึกษาจากนั้นท่านก็แสดงทําให้ฟังท่านก็ได้สำเร็จพระโสโดาบันเป็นอันดับแรกนี่แหละสรุปแล้วก็คือก่อนที่ครูบาอาจารย์พระอาหารหันตสาวกที่จะได้ฟังพระธรรมคําสั่งสอนหรือว่าได้ศึกษาธรรมะอันลึกซึงนั้นท่านต้องเกิด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 อย่างที่เราจะฟังในเทปหรือในหนังสือหรือผมแนะนาบอกว่าสติเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งต้องมาก่อนเพื่อนสตินะอันนี้เราก็ให้เอาสติเข้ามาชุกคิดในจิตใจของเราไม่ให้เราจริตใจของเราปุงฟุ้งไปออกไปข้างนอกดูใจของเราอยู่ตลอดกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมเพาว่าถ้าว่าคิดดูเฉยเฉยไม่บริกรรม ก็ททำให้มีช่องว่างความคิดของเราอาจจะได้ลอดออกไปเพราะนั้นท่านจึงให้บริกรรมบริกรรมพุทโธด้วยที่ลมหายใจเข้าออกนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือตอ่อมจิตหรือว่ายึดจิตเข้ามาสู่ใจจู่หลักคือลมหายใจเข้าออกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพระสาวกของพระ อ, องค์ท่านบอกว่ า, วาอภินหะปัจเจเวคณะ พวกเราควรพิจารณาหนึ่งเหนือหอย่างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้อันนี้ก็ให้พิจารณาให้แค่ว่าช็อกจิตใจของเราไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเราต้องแก่แน่ๆนะเหตุไม่คนแก่แต่ก่อนเขาก็เป็นคนหนุ่มอย่างผมก็เหมือนกันก็ว่าแก่ที่นี่มันมองไม่เห็นแต่มันแก่ลากไปเรื่อยๆลากหูไปเรื่อยๆลากไปข้างหน้าเรื่อยๆมันไม่ถอยหลัง มันไม่กลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกแล้วมันมีแต่จะแก่ไปข้างหน้ามีแต่หนังเหี่ยวฟันหลุดตาฝ้าฟางหูหนวกไปตามวัยของคนแก่ถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องใส่ไม้เท้าเข้าไปอันนี้คือ ค, อความแก่เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ความเจ็บเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วถ้าเราจะคิดให้ดูให้ดีแล้ว หายใจเข้าหายใจออกก็คือเวทนาปวดอุจจาระปัสสาวะก็คือเวทนาอันนี้คือความทุกข์ของร่างกายอันนี้คือละเอียดนะถ้าเราสังเกตดูหายใจเข้าหายใจออกก็ใช่ปวดอุจจาระปัสสาวะก็ใช่เย็นร้อนอ่อนแข็งก็ใช่สิ่งเหล่านี้ก็คือเวทนาคือว่าเรามีความเก็บไขยย้ถ้ามเมตเจแต่เราเก็บจนปวดหนักจริงๆอันนั้นมันก็เป็นเวทนาอย่างมหันเข้ามาแล้ว แต่ถ้าว่าเล็กๆน้อยๆก็คือนีสสย่ยคือความไม่สบายคือความไม่สบายกายเวลาเรานั่งข้างหนึ่งพิกข้างหนึ่งอันนี้ก็ว่ามีความเก็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้ทั้งเก็บทั้งไข่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วนี่แหละร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับมีก้อนเหล็กอยู่ในฝ่ามือโยนข้างนี้ร้อนโยนข้างนี้ร่อนวงนันพิกไปพิกมาอันนี้ก็เหมือนการหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่หายใจเข้าออก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 จากนั้นก็ท่านก็บอกว่าเราควรพิจารนณานนเนืองๆว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงมันก็ต้องพัดพากเป็นธรรมดาเพราะว่าเราตายไปรเราจะเอาบ้านเอาเรือนเอาสามีปัญญาลูกเต้าล้อหลานไปได้อย่างไรเราจะต้องพัดพากจากสิ่งเหล่านั้นไปแบบเดียวดายไปแบบไม่เอาอะไรไปด้วยเพราะนั้นเราให้คิดไว้อยู่เสมอว่า เรานั่งภาวนาหรือเราเดินโยกมหรือเราอยู่ตามลำพังให้คิดไปอยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องไปแบบเดียวดายจะไม่มีใครไปกับเราด้วยเราไปตามลำพังเขาขึ้นกองไฟแล้วกันนั่นะเขาเผาไฟสิทัศใจของเราจะต้องไปเปียกเดียวดายเพราะนั้นเราจะไปคิดหวังพึ่งหมู่เพื่อนหวังพึ่งใครๆจนคิดว่าตัวเองจะไปกับหมู่กับเพื่อนตลอดยึดหมู่เพื่อนตลอดไม่ใช่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 กับสานุรสิทธิ์ด้วสอนอุบาสุบาสิกาพุทธบริษัทสีของพระองค์พวกเราก็ในนามท่านหนึ่งที่เป็นพุทธบริษัทสีของพวกภูธิจักคือภิกษุขณะนี้เราเป็นภิกษุถ้าเราเป็นออกไปเป็นคราวา่าก็คืออุบาสกผู้หญิงอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาภิกษุเ น, เ, นเนีคือผู้หนึ่งสมณเณรก็คือปุณตะก่อนนวนภิกษุณีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ยว่พุทธบริษัท4เมื่อพิกฆนีหมดไปแล้วเอาสัมมเอ็ น, เ, นเข้ามาแทนแต่เดี๋ยวนี้สัมมเอ็ น, นก็ล่อยหนอลงไปแล้วคงจะเป็นพุท ธ, ธบริษัท3ต่อไปเพราะสไม่มีเพราะว่าสัมมเอ็ น, นมีกฎหมายทางบ้านเมืองเขาให้เรียนให้ศึกษาถ้าบวชเข้ามาก็ต้องเรียนต้องศึกษาจึงจะเป็นสัมมเอ็ น, นได้ก็มีอยู่บ้างสัมมาเอ็น แต่ให้ขาดทีเดียวคงจะไม่ขาดเหมือนปิษุณีแต่ภิกษุณีนั้นมันขาดช่วงเพราะบ้านเมืองศึกสงครามไในพวกกี่ยุค ก, กี่สมัยเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะมาบวชตามลําพังในยุคศึกสงครามก็คงจะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นจึงปิษุณีก็เลยขาดหายไปจากองค์การพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงยังก็ยังปฏิบัติธรรมได้ถึงจะบวชนั้นไม่บวชก็ปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าว่าบวชนั้นจะดีกว่า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 การปฏิบัติทำเมื่อเป็นครวัตได้ไหมก็ได้ไม่ขัดข้องมรรคผลทีพผานไม่ได้ห้ามเป็นครวัตปฏิบัติไม่ได้เป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ปฏิบัติได้แต่ว่าโอกาสที่เวลํำเวลาหรือว่าสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ประพฤติปฏิบัตินั้นไม่เหมือนพระคือพระเนี่ยเราตัดขาดออกมาแล้วการทํามาหาเลี้ยงชีพก็ตัดออกไปเราอยู่อย่างพระ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 เราเป็นพระกิเลสยังเข้ามาเหยียบย่ำหัวใจของเราก็ะทั่งเราเป็นพระเหลือเนี่ยขณะนี้เราเป็นพระนะเราไม่ใช่คารวะนะจะมาร้องเพลงในใจได้อย่างไรอันนี้มันก็ต้องบอกตัวเองสอนตัวเองบังคับตัวเองเอาทมที่เราได้ศึกษามาบังคับจิตใจของเราเอาพุโทโธเข้ามาสามับ เราให้อยู่กับพุโทโธไม่ใช่เราจะให้ปล่อยจิตปล่อยใจในขณะที่เราอยู่เดือนกว่านี่สิ่งเหล่านั้นเมื่อเราออกไปแล้วขนาดนอนหลับเราจะไปฝันร้องเพลงก็ยังได้ไม่เป็นอะไรแต่ขณะที่เรายังเป็นพระอยู่ขนาดนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้อ อ, อันนี้คือพยายามสอนตนไว้อยู่เสมอคือเราให้เป็นพระที่สมบูรณ์ที่สุดเหมือนเกลือรักษาความเค็มชั้นใดเราก็รักษา ใจของเรารักษาวาจาของเรารักษากายของเราให้บริสุทธิ์เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มฉะนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นพระนวกะปันญักศึกษาถึงจะมีเวลาน้อยก็พยายามให้อยู่ในกรอบของพระวินัยของศีลธรรมถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้เมื่อเราออกเป็นครวิญาติโยมเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าประกอบวิชาชีพ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 เขาได้ศึกษามาเป็นทอดๆเขาก็ถึงจะไม่หายโดยเด็ดขาดแต่เขาเอาประทางชีวิตของเขามาจนไม่สูญพันธ์เหมือน น, น่ไม่สูญพั น, นสรุปแล้วก็คือน้ำใจน้าใจการอยู่รวมกันต้องมีน้ำใจมีคุณธรรมมีศรรรมีลธรรมมีจริยธรรมแต่เครื่องมือจะดีขนาดไหนแต่คนโง่ที่จะใช้เครื่องมือนั้นเครื่องมือนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างี้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 เขไม่ใช่ว่าจะใช้เครื่องมือทําอย่างเดียวถ้าว่ามีแต่เครื่องมือทําอย่างเดียวตัวเองไม่ได้สนใจปล่อยให้เครื่องมือเป็นคนทําอย่างเดียวผมว่าคงจะไม่เป็นอย่างนั้นความฉลาดรอบคอบของคนผู้ใช้เครื่องมือเนี่ยมาในอันดับหนึ่งเครื่องมือเป็นเครื่องช่วยอันดับสองแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นเราทําไม่ได้ต้องอาศัยเครื่องมือเพราะมันละเอียดอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง แต่ทั้งยังไงก็ต้องปัญญาก็ต้องมาก่อนคนที่จะทําอย่างนั้นไปได้ต้องปัญญาต้องได้รับการศึกษาอย่างดีถึงจะใช้เครื่องมือนั้นให้เกิดประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นปัญญาตัวนี้คืออะไรถ้าเราฝึกได้ดีแล้วก็คือสมาธิการที่จะทํำสิ่งใดก็าตามจิตใจต้องนิ่งพอสมควรนิ่งอย่างมากในการทําเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญทุกระดับในเมื่อเราเข้าทํางานในสิ่งที่ละเอียด หรือว่าเขาไปสู่ในสิ่งที่ขับขันสติปัญญาของเรานี่ต้องหมุนเติ้วทีเดียวเออเหมือนกับเราเข้าไปสู่ศึกสงครามหรือเข้าไปตีมวยอย่างเนี้ยชกมวยอย่างนี้นักมวยของเขานี่ทั้งกําลังด้วยทั้งสติด้วยปัญญาด้วยตาของเขาจ้องอยู่ตลอดลเวลาเออเขาจะดูตัวไหนพองหัวไหลยึดเนี่ยเขรับทันทีเลยทํารับไม่ทันเลยปว่ายอดค้างตัวเองแบบนั้นเออเพราะนั้นเขาต้องเตรียมพร้อม ที่เขาจะสู้ศึกศัตรูที่จะเอาชนะกันนอกนั้นออกเรื่องต่างๆมีมากมายแันนี้พวกเราเป็นหมอก็เช่นเดียวกันผมว่านะเจะชล่าใจไม่ได้ความรับผิดชอบเนี่ยต้องมาก่อนเมื่อเรา เ, เมื่อเราเห็นเขาหรือว่าเรารักษาคนป่วยให้ถือว่าคนป่วยนั้นพ่อแม่ของเราผู้มีพระคุณจากนั้นเราก็เข้าไปดูตรวจเราดูใจของเราว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมที่จะทําไหม ทีมของเราพอไหมเครื่องมือของเราเป็นไปได้ไหมแล้วจะเอาสิ่งไหนเข้ามาเพิ่มอีกเราจะปรึกษากับใครเรื่องเราเคสนี้เราไม่มีปัญหาเราขาดพอมากต่อมากแล้วสิ่งเหล่านี้อยู่ในการตัดสินใจของพวกเราจิตใจของเราต้องสัมพัทธ์ด้วยสติด้วยปัญญารอบคอบอย่างมากจึงจะไม่พลาดในการทํางานเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านต้องศึกษาจุดนี้ให้ดี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 หรือเป็นความสะเพาหรือเป็นความมักง่ายหรือเราทําแบบลุกลี้ลุกลนจนเกินไปสิ่งเหล่านี้มันต้องพวกลูกหลานทั้งหลายที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้านะหลวงพ่อฝากไว้กับพวกลูกหลานทุกองค์ที่มาศึกษากข้วัดหลวงพ่อเนี่ยสรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้รอบครอบผู้รับผิดชอบอย่าไปทําแบบสงเดชชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ของธรรมดาเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ย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 ลูกร ป, ประสบอุบัติเหตุซะยังไงพ่อแม่เหมือนตายทั้งยืนเหมือนชังกรตายอยู่นั่นใจออกจากร่างแล้วมีแต่ร่างกายเดินเยิอนโดเด่หมดอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้คิดถึงใจเขาให้คิดถึงใจเราให้คิดถึงใจทุกคนที่เป็นมนุษย์ชาติอันนี้แหะคือหลักธรรมหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเจวัดศีลธรรมจริยธรรมใจเขาใจเราเพราะฉะนั้นการจะทําสิ่งใด ล, ลงไปขอให้พวกเรา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 เมืองนอกเขาคิดราคาแพงๆแต่เมืองไทยของเราคิดราคาถูกแต่ตามให้จริงเราต้องคิดการครองชีพของเขาทุกอย่างด้วยเงินของเขาด้วยการครองชีพของเขาด้วยเราจึงมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เปรียบเทียบทุกอย่างแล้วเรายึดอย่างเมืองนอกของเขาเรามาใช้กับเมืองไทยของเราเหวงพ่อว่าขาดขาดคุณธรรม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 ชาตินะก็ช่างกระตายพร้อมที่จะล้มทั้งยืนถึงจะไม่ล้มก็หมดกำลังที่มันจะเจริญงอกงามใหญ่โตต่อไปภายภาคหน้าเหมือนกระตุนไม้ที่มันยืนอยู่นั่นกิ่งกุดกิ่งต่วนเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่ามันหมดกำลังมันไม่มีปุ๋ยมันไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงลาต้นของมันอันนี้ก็เหมือนกันในชาติบ้านเมืองถ้าว่าคนในชาติมีแต่กบโกูมีแต่แย่งเอาผลประโยชน์ ต้นไม้ต้นนั้นก็ยืนเอกิ่งกุดกิ่งด้วนตายแหล่ไม่ตายแหล่เปลือกแข็งอยู่ในต้นไม้นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าในี้ใครจะเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บำรุงเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บำรุงต้นไม้นั้นมันก็ต้องมอบให้คนทั้งชาติอีกเหมือนกันใครมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เป็นตารวจก่อนรักษาหน้าที่ตำรวจรักษาพี่น้องประชาชนที่ทักสันติราชอย่างไรจะให้ได้รับความร่มเหย็นเป็นสุข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 อยู่ในชุมชนสังคมจะแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนอย่างไรจะสงเคราะห์คนในชาติอย่างไรคนในชาติจึงจะร่มเย็ยนเป็นสุขอยู่ด้วยกันได้พระสงฆ์เป็นผู้แนะนำอย่างไรเอาธรรมศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้ก็คือทุกหน่วยตลอด ถ, ถึงพิภากษาอายการวิศวกรก่อสร้างสถาปนิกผู้วางความสวยงามให้แก่ประเทศชาติออกแบบแปลน รวมแล้วจะมีเป็นผู้มีความสําคัญโดยการทั้งหมดทุกระดับเป็นผู้ส่งเสริมชาติส่งเสริมต้นไม้คือชาติถ้าว่าพวกเราต่างหันหลังให้กันพระก็อย่างงั้นตำรวจทหารก็อย่างงั้นหมอก็อย่างงั้นครูบาอาจารย์ก็อย่างงั้นวิศวกรสถาปนิกมีตะกัดมีตะแซมมีตะใสมีตะกรอบโกยหลวงพ่อวานชาติ ใดก็ตามถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นหาความเจริญงอกงามได้ยากพวกเราคิดดูก็แล้วกันที่หลวงพ่อพูดให้ฟังถ้าพูดไปก็เหมือนกับเยอะหยันชุมชนและสังคมแต่ถ้าว่าพวกเราไม่พูดกันคนในชาติไม่พูดกันไม่ว่ากล่าวตับเตือนกันไม่แนะนําไม่สอนกันไม่พูดกันในสิ่งเหล่านี้ใครจะมาพูดให้แก่พวกเราหลวงพอมองไม่เห็นคนอื่นชาติอื่นเขามีแต่อยากจะให้พวกเราล่มโจมจิปหาย ถ้าคนในชาติไม่ว่ากล่าไม่สอนกันไม่แนะนำกันอย่างที่หลวงพ่อเป็นยังไงกับพวงหลวงพ่ออย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นการช่วยเหลือชุมชนสังคมแนะนำสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องก็พยายามทำอย่างเต็มที่ทั้งที่ตัวเองอยากลำบากยังไงการไปหรือการแนะนาสั่งสอนหรือการช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ได้มองไม่ได้มองข้าม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 จะเดินตามหลังเขาไม่ทันแล้วก็เราจะเป็นเบี้ยล่างของเขาอีกต่างหากทีเีเหมือนกับพวกเราเห็นไหมประเทศที่รอบด้านรอบบ้านของเราทั้งทิศเหนือทิศใต้เป็นยังไงประเทศไทยของเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะช่วยกันเอาหลักของพุทธศาสนานำหน้าเอาศีลธรรมนำหน้าศีลธรรมจ ร, ริยธรรมนี่แหละควรที่มีศีลธรรมจ ร, ริยธรรมซื่สัต์ ส, ส, สุดจริตมีหลิโอ ต, ตปากในจิตในใจแล้วนั่นละ่ะ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 ที่พวกเราได้มาเห็นมาดูนะแล้วก็พวกเราได้ปฏิบัติที่ตามที่หลวงพ่อแนะนำจากนั้นหลวงพ่อก็แนะนำเรื่องการเป็นอยู่ของเราเนี่ยนะสตินะสำคัญนะสมาธินะสำคัญนะถ้าจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วจะมองเห็นความดีความชั่วสิ่งควรไม่ควรเอาหลักพระธรรมคาสังสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องดูแล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 ในการเป็นอยู่ของพวกเราได้แต่ถ้าเราพูดลงไปมันพูดความจริงเกินไปก็ทำให้กระเทือนหรือว่าไม่สบายใจในขณะที่ผู้ได้ได้ยินได้เห็นได้ฟังแต่ถึงยังไงก็ต้องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ถือว่าฟังเสียงฟ้าร้องฟังเสียงที่เราไม่พึงปรารถนาก็แล้วกัน ฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างนี้ออให้พวกเราก็ถือว่าเออฟ้าร้องฟ้าผ่าว่ะเออเป็นธรรมดาอยู่ในโลกต้องมาต้องมีต้องเจอนะอาตอนนี้ไปนั่งภาวนานะจากนั้นก็ค่อยเลิกแยกย้ายกัน